อันนี้หลายคนตัวยอยู่ไกลๆก็มีเติบมือไกลๆมีไหม <c oughs> ี่มาใหม่ไหมท <c oughs> ี่มาข้างหน้า อืมอนตากเนใขบอจาแล้วแต่อืมเากอาอืมนั้นเคยมาอยู่มาครั้งแรก So your first time here? Um, third or fourth time? ห้าครั้งที่สครั้งที่แล้วครับผม Oh, I've been here morning. Oh. So h เขามาเมื่อเช้านี้แลครับผมอืมบ้านอยู่ไกล So far, so far, so n e r u I live in c r o w l e y ห้าวันได้ย m i f t e e minutes. ผมอยู่เมือง Crawley นี่ครับผมขับรถนาทีครับผมอืม อยู่นานแล้ว so you live in this country for a long time it's been nine now 9 years เขาก็แม่ครับผม9ปีแล้วครับผม9ปียังแม่นานเท่าไหร่9ปีนีลังกาตรงนี้คือคำร้องอิน India อ้อินเดียเคยไปแล้ว he said he been to India very o u c h ดีมากเขาถามว่าไปตรงไหนของอินเดียครับ สังเวทันิสถานทั้งสี่มังอะไรบ้างกรยาสูตรตะสลูแสดงประเทศาสนาปริเนพานโอเคบุตีบุตีไม่ใช่บุีเนอะเด็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหมือนก่อนแล้วใช่ครับวุนเจริญเข้าไปกับวุ่นวายแล้วเด่น Modern civilization. Uh, it's And coming. To, yeah. Modern, modern. Um. Um. Um. Um. Um. Um. Um. Um. u a Um. Um. Um. Um. Um. u a u d Um. Um. Um. Um. Um. Um. u Um. u h i s Um. u a Um. Um. Um. Um. u i n k Um. Um. u t Um. i m Um. Um. Um. Um. u h Um. e m Um. Um. Um. Um. u Um. Um. Um. m Um. Um. Um. u I Um. e m Um. o m I m Um. Um. Um. Um. Um. Um. m m Um. u Um. กับบ้านแล้วไหมทำบุญบ่อยๆฉันจะไป go home just to make merit or make boun by doing meditation บุญทุกอย่างไหมบุญอาหารใจบุญ in Thai word it's mean merit อ่า in its meaning it's mean doing meditation ทุกทุกครั้งโยมัย it's food for your mind ของเราคือบุญเท่านั้นล่ะ so the boun is food for your mind yeah yeah yeah i read a lot of literature ถ้าเป็นไปได้ วันศีลวันพระก็มาแทีัดทบังเขาบอกเขาจะมาอยู่เขามารับศีลแล้วก็ไปนั่งสมาธิในโบสถ์เขาบกเขาจะดูเขาจะทอยู่ไม่ได้เสียเงิน ใชใช่คร so uh, yeah. yeah ับผมอาหารก็ไม่ได้คือ so the food uh, to eat in the morning free too for oh. everyone เมืองพระพุทธเจ้าหาศีลหาธรรมมาสอนสัตว์โลกที่ไหนได้เรา so t h i w Buddha uh, prepare for the o n people who want to learn the Buddha s teaching yeah. t e food and n mm hmm. a quiet place to meditation พระพุทธเจ้าหา พระนิพพานหกปีนั่นห <Yeah. S 1> ามาแล้วก็สั่งสอนคนสั่งสอนมนุษย์และเทวดา he uh, the ถ้ารู้ว่าเราเป็นคนต้องเชื่อพระพุทธเจ้าบ้าง if you are human you should listen to the Lord Buddha. โดยเฉพาะทำสมาธินี่หายาก Especially he e m p h a s i z e on do, doing meditation to practice meditation ใช mm ่ครับต้องเห็นด้วยครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราเสียชีวิตนี่ใจของเราจะได้อะไรไปล่ะ When you pass away you can take your your, your calm mind with you ถ้าเราทำบุญอยู่บุญก่อพาไป So i the t goodness will go with you with your breath your mind mm. นั you everyone, month, mm ่นแหละจึงได้เตือนให้ญาติให้โยมให้ลูกหลานอย่าปับกันประมาทวันพระเดือนหนึ่งมีสี่วันในมีอะไรยากกดอาหารขั้งเดียวแค่นั่งกินิ่งสบาย nothing hard nothing difficult just except exercise only a t one meal on that day yeah n o t i n g hard ทได้ยูมไดเลยอกาสอม่เขาทำอยู่กับผมวันนี้ครับเรบปอืมนันหะไอ้เรียกทำให้ทาไปทุกวันพระ Monday Monday I'll be eating food in the evening เราทำบ่อยๆนาำเข้าน้ำเข้าเราก็จะด เป็นน so mm ิสัยอุปนิสัยเป็นวาสนาเป็นบารมีส่งใจของเราไปกับพระพุทธเจ้านะถ้าเราไม่ทำเวลาเราเสียชีวิตทุกที่สุดคือหาที่เกิดถ a า a ร a ไม่ทำเวล e เรา t easy to find a place to reborn again น, นี่เรากินบุญเก่านั้นได้มาแล้วถ้าไม่ทำต่อขาดทุนแล้วเข้าใจมในตัวเรามีกายมีใจเข้าใจไหมในตัวเรามีกายมีใจ so yourself, ในหนังสืออะไรละ่ะนามธรรมรูปมาธรรมนามธรรมคือใจรูปมาธรรมคือธาตุก่อนนี้กาย so the rupa is the r i t u a l is your physical body, mm hmm. and it's the mental, the mental, mental inside is your mind คนในโลกนี้ไม่ต้องหาเครื่องมาแต่งกายหาอาหารมาเลี้ยงร่างกาย most people try to feed them with all the material and the food to take care their own body เห็นไหมล่ะถึงกับหลงไปผมก็ไม่เอาของเก่าแปนงใหม่ขนก็ไม่เอาแต่งใหม่ เล็บก็ไม่เอาแต่งหม่เล็บมือเล็บเดียวสีสีสีสีสุด h ้า o เ the นค่าเลือ the แห่ t ะพูดเ t าเดิมเอาเดิมแต่งไ e ้อ e ยบรา o o ุดท้ายเชนได้เนลส s k i แ and s t ฟต์ make a แ a t t o o แต่งเท่าไหร่เลี้ยงเท่าไหร่ก็เท่าก็แก่ก็เก็บก็ตายใจไม่แก่ไม่เก็บไม่ตาย Your mind never gets sick, never gets old get never get and อาหารใจไม่ได้ซื้อด้วยเห็นไหมดูลมเข้าลมออกง่ายไหมทำบ่อยๆเป็นนิสัยแล้วก็มันไม่ขี้เกียจหรอกพรา ะ, ะนั่นถ้าหากวันพระมันตรงกับ วันที่เราทำงานเราก็มาหยุดเอาวันเราหยุดวันอาทิตย์ก็ได้ So you lunar, uh, lunar day or half moon you if day day You lunar are half to work ฝากเวลาเข้าวัดทำบุญฝากไว้ให้ถือข้อปฏิบัติหนึ่งข้อเดียวไม่พูด so you can do it next time when you come to the temple Just try to not to talk all day ได้ไหมไม่พูดตลอดวันถ้าไม่พูดเราได้ตั้งใจดูลม If mind is breathing it you not concentrated talk, your meditation Yeah, อย่าไปใกล้คนอย่าไปหาคนอย่างหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่พูดด้วยนั่นให้เงียบ Be บ mm ีวิสและ a ับบูดา s t ตจูส b e c ูมันเรียกรับบูดาสเตจูโน่ทอลแบกที่ถ้าหากเราตั้งใจว่าจะไม่พูดแล้วเราก็ไม่ได้ปรุงข้างใน so if you not talking it's mean that your ma your mind is not go anywhere it's inside concentrate mm hmm. i to t your mind ม mm ันไม่ได้ปรุงแต่งอยากโน่นอยากนี่อยากมีโน่นอยากมีนี่มันสงบเงียบถ้าเราตั้งสัจจะได้แล้ว so at the end of your craving and your desire because you not talk มีสําคัญตัวนี้สําคัญที่สุดคําพูด be careful to not t a l k ค mm ําของพูทเจ้าว่าไงพูดมากสินขาดพูดน่อยพอดี so the Lord buddha said uh, talking too much uh, no good talking less is better น mm ั่นยิ่พูดยิ่งสบาย so even no talking at all that's the best <c oughs> นั่นแหละเพราะฉะนั้นให้พยายามเน่นหนักภาคปฏิบัติจุดนี้ให้มากมากอ่ะแล้วแต่นั้นเดี๋ยวจะเทใี้คนไทยก่อนทีนี่อเซกนอ่าอีเซกนนะทูด่นะโอเคมีพูดสิกับประหละผู้ใจเมื่องไกลมือเอื่อน เม yes ื่อไงอยูทางแอ็มดีแล้แม่เดิานทางไหนูุนเหนเลยไปทางฝ่ทางลอนดอนทางน้ักนาทีชั่วโมงกว่าจ้าอืมกับปูนไปไหรอชั่วโมงกว่าเพื่ไปถเลยทั้งเข้เลยพระปนกังเว่ากันอยู่ดีโอ้ยเห็นใจบวกงานฝูงงมมีสัทธมามตะไกรกๆวันะว่านอกันใจประสงค์แล้วเมื่อแจวกระเดินหอด เรเรียกว่าไกล้ว่าไกลหรอกเห็นว่าแต่เมืองไทยนั่งมายังเสียเด็ด <c oughs> นั่งฝ่าเคยมาแถาผมออกหลวงปู่งัดหลวงปู่มาจากนั่งฝ่าบอนั่งแอร์เคยทำแอร์ถึบินมาดเดิมาออกพรรษาปีเห็นว่าไกลไว้เมืองไทย แต่ถ้ามีแล้วยู่ใสก็ไปได้หมดความันหายะตามคำของพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าว่าอะไรล่ะการเลือกให้พระพุทอธองค์ทรงสรรเสริญตอมากเราก็พระคือกันพระไตเปิฎกอันเดียวกันสินสองรอยีิบเจ็ดคือกันทันเนนนี้บัันเข้าว่าเนี่ยคืออยู่สิ้นกันได้แต่ว่าข้อปฏิบัติข้อรักษา เห็นไหมว่ะแต่ละวัดแต่ละวัดไปเหมือนกันไม่ได้สังเกตไหมสถานที่นี่ของง่ายๆเนาะที่เต็มตาเต็มหูกันอยู่นี่เสียงดังสนั่นวันไวแต่ไม่ไม่เข้าหูดิเข้าหูหนึ่งออกหูหนึ่งคุณเคยทํานี้ทํานานแล้วก็ถ้าไม่ใช่ไม่ไม่ได้ยินนั่นคือคําของหลวงปู่ว่า สมัยต่อไปเป่าปีเตหหูบปกเล่นั่นถ้าใช่ไหมละ่ะเป่าปีเตหหูบปกเล่บอลมันสูงคือเสียงธรรมชาตินี่ยประได้ดินเนี่ยเสียงไม่ข่าหูนี่ออกไปทั้งมุนมัดกันใจบนแน่นหนาทาวนจิตใจไม่มั่นคงหรมันมันเข้าถึงใจมันเข้าหูหนึ่งออกหูหนึ่งหูนี่เป็นหูนรกหูกระทะ เดือนให้ยาที่โยมไปหักเราไม่เขาล้องขอนนังคนไม่ได้ยินงดิจะตัดฉันไปจะตัดฉันไปฉันจะมีลูกโู่ <c oughs> ไม่มีหัวทิบไม่ได้ยินเสียงเนะอาอต้นไม่เป็นนะ่ะบางทีเห็นคนที่เคยลดน้ำไปผ่านไปมันยิ่งในต้นไม้มันเหงาเห็นบ่แต่คนจิตใจแห่งแรงปลูกมากกว่าเป็นน้วยหดบางคนปลูกกล้วยว่าเป็นน้วยก็มีได้ออยินว่า ปลูกอย่างที่สุดปลูกกล้ยกวยกล้วยกล้วยแต่ปลูกแล้วหวังว่ามีนอ้ออหว่ามีลูกก็มีอ่ะพระคุณเคยเมื่อเปล่ยนบมื่อเปลี่ยนใใจเมื่อน้ำใจเย็นน้ำเดจะปลูกติดปลูกเปล่นเดนเห็นนะ้ำมติดกับบ่เปะถอกทิมแล้วบางคนกับเทศทิมไปม็นตัวเตี้ยดีว่าน้าไปเทแนะ่หลวงปูก่ก็ได้แน้นำล่างโถนี่มันก็สังเกตด้ ไปแท้ทิมไท้ล่ะบอกเฮ้ตัวใหม่นำรางบาดด้วยดรนตั้งมือหนึ่งใหายไปมองหนึ่งมือหนึ่งใหญ่มองนึงมือหนึ่งใหญ่มองนึ่ว่าไปไหนถ้ตนเดียวไรไหมมีอคติคุณไอ้ตนใหม่กินกันใหญ่ไปรอบสลาคุณดิเพือเอานำรางบาดหดตนไหมอ่ะบัดซูมือนี่ล่างแห้งเดียวเมื่อจะขู่พวนี่ เพราะนั้นล่ะพอมันมั่นหลายคุณอนะเมือเป็นกูกูกเขาก็ลอนฟาอีกกระโถนอีกไม่เปนห น, หน่อยดิฮึกระสังท่อนตึ้งว่งอีกปัญจาญบุนไปยุบ ป, ป้าไม่มีถวยจักใบไปตองกัดตันกับแก้วเลยแลละไปตองห่อแกว้วนุ้ยผู้อาขามา ให้เด้เบื้องซื้อแล้วรอฟักติวีวเตรียมดู <laughs> มือนี้แต่แก้วมือรุ่นจังใดผักกับมี่องังเทียะน้ำสใส่บังทิ้งไพ่ลงมาปุ๊บขอน้ำซ้ำก่อนใส่บังทิ้งไพ่มาเอาร่างบาทล่ะกับล่างกับทนพร้อมนำล่างบาท กระถนกรใสหน่อยหน่อยมันบอมีแนวใส่ดอกเพราะว่าอาหารม่นมีหลายคือตู้มือนี้กระถนก็ไม่ได้ใส่หลายคำว่าใบตองกับเ็ดท per no ักคำว่าเปลือกกล้วยกับกับแจ้วก็ได้ไม่ได้ถิ่มสำหรเปียกกล้วยก็ได้ใบต้องสะอาดนวลๆนะสันกับแก้วเลยแก้วกับนเมื่อเจ้ามีใบเหล็กบองคือตู้มือได้แก้วเคอกับขาฟานฮอภาษาผู้ษาไทยกัจจะว่าหลับ ว่ามันค่าบ่ามันขาฟานแหงเด้ข่าฟานเหรอขาฝานแหงเห็นใจกว่าพราว่าพระกรรมฐานเป็นสันเจี๋เขาต่าตากขาแหงแหงก็มาตําใส่แก้วเห็นบางคนว่าก็ดีตัวขาฝานแหงขาฟานแหงก็ดีตัวบบว่าเนี้มันเป็นขาฝั ว่ามันขาฟันนี้ขาฟานแห้งขาฝานนี่นั่นนี่ไม่ได้กินแสบกินว่าคือมือนี่บ <c oughs> ว่าภาษาสิกับฟาดมันดกขากเกลียดอ่ะว่าให้กินคำของหลวงูเลยสมณะผอมงามนั่นไ่เมืนสมณะอ้วนงามนี้ ฝึกขนอบลมวมนิสัยดะดจลิดนิสัยพวกแม่ขาวตั้งสัจจะได้เ่ราะละ่ะครูว่าว่าวาจัก็มีนั่นตั้งสัจจะไว้สรุปแล้วมาสรุปเวลาเนี่ยตั้งสัจจะได้อะไรได้อะไรก็สรุปเป็นออกภาษาเราสรุปให้ใจตนเองรับรู้ว่าเขาทําได้ไหมหรือโกหกตนเองอ่ะ ถ้าคนหตนเองมันก็ใช่ไม่ได้มันก็เคยกินไปทางที่ไม่ดีโกหกคนอื่นได้กหกตนเองกหกไม่ได้เพราะฉะนั้นตึงแข่งแข้งแข่งอยากให้แข่งไม่อยากให้ปุงให้แต่งเรื่องนู่นเรื่องนี้ที่ส่วนมากก็ห้ามไม่อยู่กัน <c oughs> บอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องท่าออกวินทบาทนั่นแหละ ถ้าพระบิณฑบาตเราออกไปถ้าบิณฑบาตได้แล้วก็ไม่ให้ฉันของในวัดมันทำสมาธิไม่ได้มันผิดธรรมพระพิจูรู้อยู่ว่าเขาทำอาหารให้พระลูกมันฉันไม่ได้เลยนงสังสิบอย่างมีเหงาอม่อยังแนบอะไรก็รู้สิบอย่างก่อสุดท้าย อาหารที่ญาติโยมทำให้พระเห็นพระรูปประตูมือสร่งเอาได้แต่าอกจุเมืองนั่นที่นั่งอะไรว่าโอ้ยแม่ น, นตะลุงปูอืนนัง่งอืนนัง่งบอกมแม่มึงหานองม่วงให้นี่เด้อเห็นบอกพรมาสั้งเอาตระ ต, ตมือดูว่าตั้งแต่ถ้าเอา ท, ทาธรรมะละเอียดมันไม่ได้ เขาพูดเฉยๆว่าลุงปูมนีเอานองนอง้มาถวายวไยด้บ้าสันว่ได้ดิต้มนั่นต้มนี่มาถวายด้ลุงปูฉันว่ได้ดิ <c oughs> เขาออกชื่อคณะโพชนะอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นลุงปูจเอาเข า, ม า, าหมอนมาถวายวไยด้ลุงปูหนึ่งเขากั้มมาถวายได้พวกนี้กัันว่ได้ลเขา อ, ออกชื่อ ชนะพูชนะจังได้จางหนึ่งมันชันไม่ได้จริงๆย่ำยอยู่นี่แหละพวกโยมก็ยังไม่ยอมมาคุกคีอยู่นี่แหละนี่จะอารมณ์นิดหน่อยก็มีไม่คีว่าเฉยๆหรไม่มคีบางแห่งก็ บ, บินตบาทเองห <c oughs> <c oughs> ลวงปู่มาให้เสียบวัดเสียทางอันก็เยอะแล้วนะเสียจบินตบาทก็เยอะแยะแล้วนะ <c oughs> นั่นแหละพระ พิจุงถือทุดงเขวัตคือได้ยินดีเฉพาะเขาให้แค้ไหนรับแค่นั้นเข้าภายในวัดแล้วไม่รับอาหารต่ออีกคนเามาส่งที่หลังมาเสริมที่หลังก็ไม่รับอีกเรียก ว, ว่าพระทุดงถือทุดงเขวัตฉันเฉพาะเป็นถบาดได้แต่แค่ไหนฉันแค่นั้นไม่ได้ไม่ฉันนั่นะพระเจ้าจึงสมานุญาตในพระพิจุสงบนิจโจโลปโพจนนัง มีใช ย, ยาบรรพชาตตะเจตวังยิวังอุทธโหกอรนิโยอุดมะเบนทบาทอย่ายงคีบตลอดชีวิตเถิดเนีก็ป้องกันเพื่อไม่ให้มาจ้าดโยมมายุ่งวัดเปิดโอกาสให้เฉพาะวันพระนั่นเห็นไหมล่ะที่แตยานพระอดย่านพระอสนว่าเสน่ห์วัดมาห <c oughs> น้าตะเคษสุ่มชีสุ่มหาตัวนี้ไม่เฮ็นอายุในเรื่องเพึ่งเ ป, ป, ปิดจวัดตั้งประเท็กก็บเบื่อขุ่นตัวไปวัด หนีจากวัดเนีพระจะจะพระไถ่แล้วก็พระเจ้าหนีมันนําอีกหนีไกลมันไดก็ตามมาอีกหรือเป่าเดี๋ยวไปยุธเสกปุ้นบ้นหันแล้วไปเก็นอาหารเผาข้าเจ้าข้าเจ้ า, เ, จาเบือเ่อจินนี่คนทางนี่รนกรต้มขนมก้อนเดียวก็แล้วหรอกขนมปังก้อนเดียวก็แล้วหรอกนคือว่าเนามันจักตั ว, ตวยหญ่จังย่างาอันจักแนว หุ่นต้มหุ่นแจ้วหุ่นแจงหุ่นนั้นหุ่นนี่แล้วว่าต่ำบักฮุ้งหมดว่าตํานั้นตํานี่พูนว่าเอากันโ ป, ป๊กเป๊กโป๊กเปกเหมืนเดิมารับสินลนับฟนเสยนั่นไปยุ่งแต่เรื่องปากเรื่องทองเข้าใจว่ามากผล น, นิพพานอยู่เรื่องปากเรื่องทองแ <c oughs> น่คืออยู่เบื้องไทยก็เหมือนกันหลวงปู่ไม่พูดอะไรมากเพื่พูดเรื่องปากเรื่องทอง ก, ก็มันยุ่งเรื่องปากเรื่องทอมไหม ถ้าเป็ยุ่งตรงนี้มันจะมีอะไ ร, รมันก็ให้ความเกิดกับพระเรื่องปากไม่ใช่หรือน่นพูดออกมามันเกิดแล้ว <c oughs> เกิดทิฏฐิเกิดความไม่ดีเกิดความไม่สบายน่นถ้าเราไม่พูดไม่ได้ยินอะไรก็ไม่ได้ยินก็เราไม่เกิดอะไรไม่เกิดนั่นไหมพระเจ้าสอนให้ปฏิบัติทำเพื่อไม่ให้มาเกิดนั่นจึงได้บอก เมื่ออยากเกิดก็อย่าพูดนะเพราะมันไม่ตั้งใจว่าไม่พูดแล้วมันไม่ไม่เกิดความนึกคิดทางในไม่ไม่เกิดนะถ้าเราไม่ห้ามจุดน่นี่มันก็เกิดคิดปรุงแต่งอย่างน่นอย่างนี้เอางานของเรามีอะไรบ้างอย่างน้นอย่างนี้น ก, นก็ปรุงจนนั้นเลยวันนี้จะทําอะไรทํามาหาเลี่ยงเคียอะไรอะไรนัโดยชอบเรื่องผู้หญิงแหละชอบสวยชอบงามก็ปรุงแต่งเรื่องผมจุงเท่าไหร่ก็ ยิ่งไว้อายยาวเจเลยบอกตัดออกเสียไอผมททผมว่าตัวถิมผมไปเลยทีเห็นสวรรค์ในผ้านไนประสมในผ้านในว่าเราพระพเจ้าสอนได้หรอเจตาาเนี่ยขืนกรงมือจะหน้าบ่งผมมั้มันก็มีเลือดอยู่นั่นแหละมีเครื่องขัดอยู่นั่นแหละเครื่องขัดใจอยู่นั่นถ้าไมสําระสะสารออกกากใจ ไปปรุงไปแต่งไปนึกไปคิดมันเป็นพารลาอารเวยเปัญจากขันธ์ธาสังขารร่างกายเป็นเพลระาละอันหนักหนักหรือเบากวรู้อยู่แก่ใจถ้าเรามีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็ยิ่งชอบยิ่งยุ่งนั่นคนเราชอบยุ่งชอบยุ่งชอบยุ่งต <c oughs> าตะกียรติก้อนรอโอ้ยบางคนผมเน่าเน่าเหาหยาดยาอยู่หันก็มีดตะก้อนเคยเห็นวีไม่เอ๊ะทหรับ วิไม่ทีทีสำหรับขวดผมขวดเหาออกจากผมเี่ชุ ม, มือเนี่ยมันไม่ยาซื้อได้มันพอกเกิดเนี่ยของสกปรกนี่พูะเจ้าเฮ็ดเดือดบายบ่มากกันตัวไปพระพูเจ้าทำอะไรก่อนเพื่อนปงผมออกไปแล้วไปนั่นแ่ละทำอะไรก็ยุ่ง บอกนายฉันนะแต่แท้หน่อยนายฉันนะก็ไม่อยากล่วมเกินนี่กลัวประราชถ้าดาวโวยวายว่าอย่างนู้นอย่างนี้พานายฉั น, นะไปบวชไปจากนู่นนี่น่ะ เ, เป็นลูกน้องฉันบอกครั้งเดียวไม่ได้หรื อ, อยังง้อมดิตอนจะได้บวชเนอะผู้เจ้าจึงชี้มือให้วันนี้เลยยุ่งที่สุดเลยนายฉันนะบวชเราไม่ใช่ได้ตัดทะลุง่ายๆนะฉันนะทิฏฐิมานะถือว่าตนเองได้พาผู้เจ้าออกบวชแล้วนั่น เห็นไหมทิฏฐิตัวนี้ใครสอนไม่ไล้ถึงกับพระเจ้าห้ามไม่ให้พระพิสุสงพูดด้วยนะดึงค่อยเลือกถึงตนเองนะว่าพระพิสุสงทำไมไม่พูดกับเราไม่ดูเราไม่พูดกับเรานาะเราคิดตรงไหนเนาะหนอนนะค่อยเลืสึกตัวนะถ้าไม่ทรมานอย่างนั้นกับทิฏฐิมึงยึงหึงอยู่กันยึดถือตัวตนว่าได้พาพระเจ้าออกบวช มันก็ไปไม่ได้หรอกมันมีมันมีเข้าใจไหมให้หาความมีออกกัใจนี่คาเดียวแค่นั้นคำสองคุจะท้าทำได้หาลูกเองไหมลูกในใจของตนเองไหมว่ามันมีอะไรมีดีใจมีเสียใจมีพอใจมีไม่พอใจมีแต่มีทั้งนั้นแหละว้าทำไมล่ะไม่พอใจเอาไว้ทำไมล่ะมีแต่ของมีหัวมีแต่หัวมี เราตำไมไปมีหัวเบาหัวบ้างหัวเบาบ้างหระฮะมันมีอย่างเดียวก็มีแช่ลมแต่ลมท้งนั้นเลยทั้งยากอยู่มียังดีใจไม่ดีใจเสียใจไม่พอใจนั่นก็ชื่อว่ามีเหมือนกันน่ะมันมีอยู่มีไม่พอใจมีเสียใจมีไม่สบายใจ เรื่องของเกลียดทั้งนั้นไปมีอยู่นึ่งหาความมีให้มันหมดความมีที่ไม่มีอะไรมันก็อยู่สบายไหมล่ะนั้นแหละพระเจ้าสอนนั้นมีแค่นั้นเด็บอกว่าหาความมีออกจากใจคำว่าความมีมันละเอียดนะถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ว่ามันมีหรือไม่มีนะนั่นตัวใจใจก็รักโลกพูดอยู่ทุกวันมีรักมีโลกนั่นต้อหาความรักความโลกออกจากใจดูที่อย่างอื่นก็มันมีอะไรบ้างสี่อีจางเรา มาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นในทินงสีทั้งบกมีแต่ของมีไหลเข้ามาไหลเข้ามาตาเห็นลูกก็มีแล้วมีความหักนะหูฟังเสียงก็มีแล้วกัเขาห่องดีใจเขาติดเสียใจมีเสียใ จ, ม, ยใจมีดีใจมีว่าะสันนั่นถ้าไม่ไมีไม่ยินดีอะไรเลยไม่รู้ไม่สนใจนั่นนสบายไหมหรอ แต่พุยว่าจไม่ให้ดีใจกับเขายกยอป่อปั้นไม่ให้เสียใจที่เขาตีจิ้นนินธาเป็นเหตดอะไรเป็นเสนียดอะไรแห่งมรรคผลนิพพานนี่จิ้นนินธายกจอป่อปั้นหรือมาหาอะไรหรอมันไม่ทันแล้วตั้งแต่วันศีลวันพระยังมายากอยู่แล้วทีวันที่ เ, าเขาพรรษาก่อนจริงะเป็นถือศีลหน่ แต่พวกคุกคียอยู่ทุกวันจึงทําไม่ทันจึงตามกิเลสไม่ทันจะว่ายังไงหรอกหาความมีอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกวันทุกเวลาจึงหาไม่ทันมันมันก็ยังมีน่นมีนี่มีเสียใจมีพอใจมีไม่ดีใจมีดีใจมีไม่ดีใจอยู่นั่นไหนละ่ะปิดหูใส่หัวปิดตาสองข้างปิดปากสบ้างแล้วอยู่สบายปิดเปลี่ยนไหม กันว่าเบดหรือไม่ได้กินไม่ได้ฟังไม่ให้ได้ดูเหรอือดูก็ดูเป็นอฟังก็ฟังเป็นน่นถ้าฟังไว้เป็นก็มีนั่นเห็นไหมละ่ะมีเสียใจมีดีใจนั่นตัวใหญ่ใหนะนัะ่นแปลว่าฟังไม่เป็นนั่นถ้าฟังเป็นคือฟังยังไงหลักแต่ว่าเสียงนั่นจะไปยึกถื อ, ถอทำไมเสียง อย่งไก็ติเอาไว้ใครรักใครชังช่างเขาใครด่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอน้องพอก็ดีแทะดีแทะดีว่าดีรู้อยู่แก่ใจน้องพอก็สวัแสวแทะสวัสวหรือสวัสวสัวหรือดีรู้อยู่แก่ใจไม่คีเกียรว่าไปเสียงไปฟังให้หนักใจทำไม นั่นจึงนี่แหละอยู่ที่ไหนต้องปูกแก่ก็มีรักษาใจรักษาใจให้ดูใจดูใจเห็นไหมรูดูเป็นไหมถ้าดูเป็นให้มันมีทม <c oughs> าําไมอันน okay, หาความมีออกจากใจหาความมีออกจกใจอยู่ใจรักษาใจรักษ า, กษาทําไมเอ <c oughs> ใจมันอยากมีรักษาจะให้มันอยากน <c> ะ <oughs> จะให้มันโลอย่าให้มันกอด <c oughs> หรือถ้าพูดแล้วก็จะให้มันดีใจ <c oughs> จะให้มันเสียใจ เขาเข้ามาที่ตรงนั่นแหละใครรักข้างเขาใครรักใครชังชังเขาใครดา่าใครบน่นตนเอาใจเราเริ่มเปียนเป็นพอมันเข้ามาทำนองตัวนี้ะถ้าขยายออกไปมันก่วงก่วงนะไตเป็นพระไตปิดกนะ่ขยายคํานี่คําเดียวแค่นะั้นความมีออกจากใจคําเดียวกันะมาจากไหนวั่างทุกคนก็จะมีมีอยู่นั่นแหละมีสะสมแต่ความมี ของ น, กนอกๆก็เห็นอยู่แต่เราไปไหนมาไหนมีของยุ่งไปบ้านไปช่องไปประเทศไทยลองดูมีกระเป๋าเยอะๆยุ่งถ้าไม่มีไปเส็นปั๊บ ป, ปัไปเลยทําได้ไหมละ่ะนี่ของหลกๆแกนนั่นทำไม่ได้ยิ่ ง, งลึกๆจะเป็นยังไงอีกมีหรือไม่มีรู้อยู่แจใ จ, ใจ ตนเตือนตอนไม่ได้เขาเราจะเตือ น, น, นคนอื่นสอนให้เกิดโมโหยังลงพอว่ายุางตีแล้วผบวกว่าใจก็เครียดส่วนตัวยังว่าคนทั้งโลกกูเท่ได้ทั้งไหนถือว่าส่วตัวนีน่พูดไปตามหน้าที่ไม่ใช่พูดให้เชื่อไม่ได้พูดให้ทําตามนี่พูดไปตามหน้าที่ของน่นของผู้ที่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเอาหรือไม่เอา ผมเหมือนทานอาหารแหละถ้าหิวก็ทานถ้าไม่หิวก็ไม่ทานบอกแล้วกแล้วแต่ใครจะทานอ่านใจบอกไม่ทานก็ไม่อิ่มไม่อิ่มใจไม่เห็นบุญบอกไม่ดูบุญไม่ดูก็ไม่เห็นไม่รู้มันไม่ยากไม่มากนะถ้าเราไม่ทําตามคําสอนของผู้เจ้าทุกที่สุดคือหาที่เกิด เกิดกับลูกกับร้านก็เกิดไม่ได้เขาขี้เกียจเลี่ยงนเกิดสองคนถ้าเรามีศีลมีธรรมเขเกิดร่มหัมเราลูกร้านคุณเทพมนุษย์โลกเทวโลกพุทธโลกเกิดเป็นภู่มของมนุษย์ว่ น, นลกมาเกิดเด็กดๆถ้ามนุษย์โลกเราปฏิบัติศนลธรรมยุคพุทธโลกขึืนสูภภ้ปณิพนัทเลยมันจะว่าภุ่มของพุทธโลกถ้าคิดถึงพระมหากษัระจัด นั่นอยู่พรหมโลกไหมไม่ได้ฆ่าสัตว์ตะกัวดิพระมหากษัตริย์นั่นไปสงเคราะห์อของคนณ้าโจมประสบนิจกรอนจุ่งยากลำบากที่ไหนที่ไหนไปปล่อไปดูแลไปปกป้องปกปนะักรักษาตัวนี่คนทางบ้านสมัยก่อนนะ น, น่ไม่รู้ฆ่าสั ต, ต, ตว์ติชีวิตกี่ประเภทแหละจึง <c oughs> <c oughs> อยากให้เล่นนักภาพปฏิบัต นายากไปดูที่ไหนดูวัดดูบาพระเจ้าพระสงฆ์แนะนำสั่งสอนออกโทนชาติโจมนี่แต่จุดทูปจุดเทีทนบูชาดอกไมก้ถวายสังฆทานตรวจน้มโยมเครื่องตรวจน้ำพระศซลปตั้งเป็นแว้วยากกันตัวโยมมาเทศยบาป ก, ก, กาาา็ว่าจุดทูปจุดเทียนก็ได้บ้านเร่งพ่จิตมึงจะจ้าละ มัเสียดายหลวงปู่แต่ว่าเสียดายที่พาญาติโยมลูกหลานหลงทางเดินทนที่จะเดินทั้งตรงกับไปทั้งคงเที่ยวทั้งเวรหนึ่งหลายมันตีคาเมาตะพัวบกว่ามันติสาคำทางต้องตีความหมายนี่ให้มันออกเด้ <c oughs> ถ้าตีความหมายไม่ออกเอาจากนั้นแล <c oughs> หละก็น้อยเคยเห็นมาก็น้อยเคยเห็นมาก็น้อยเคยยุทูปยูทูเซนมาถ <c oughs> ึงแต็มมือ ได้บัดได้ก็มิเหตุทุกอันตัวจับหลวงพ่อขึ้นร่งฐานหลวงพ่อขึ้นยู่เด่นเ่จับนยังล่ะมาจับกบ่หยจุดถูกจุดเียนบ่หยมบูษาดอกไม้เอ้าบูษาดอกไม้กจุดถูกจุดเที่ย น, ยนกับบ่บ่บาดอกไม้อันไมัง ก, กบันน้ทวมประเทศไทยายัางพอกขยะ จกไม่แหงพ่วงเดวัดนึ่งจะพว่วงคนตายศพหนึ่งจะพว่วงอวิธีมใสบัเดี๋ยวนี้นยังสมัยไม่เนี่ยเอ า, าทัศน์พนิตรถตัวบัตเผาเก่าไได้เป็นเพีบเป็นไทนั่นจากวัดคนตายมึงนึงจะคน้นบนเนีของพวงเดชสันกันผู้เป็นไงแนะ่วิญญาณกรรมนั่นว่าสันโอ้ยแห่ก็ไปเป็นรถุดยนรถุย น, น, น, น, นอยจนวันีวันห้อยก็กวางไว้ไส ขยะสกปรกที่สุดประเทศไทยอันดับหนึ่งของโลกอย่ยินี้บ่ฝนตกนาน้ำท่วมหลวงพ่อว่ท่วมหน่ท่านเอกบรักษาเลยไปเหตุาหารนับริมแม่น้ำถิ่มลงแม่น้ำสกปรกบวบเน่าๆมาเดี๋ยวมันก็ไหลไปไหลไปต่ที่แหล่งกบเห็ดทอบอกไงเด้ พ่อน้ำเอาต้นไม้บางใหญ่ไปตันนี่ฝนตกหนักๆไปติดกระเตียงไปตั้งเสียบบางใหญ่กัถิมตัวุูมือนี่หรือน้ำถล่มเน่หลายเ่าถิมก็พัดไปแล้วก็อีกโซฟาโซฟาเฟอนี่ไปก็ไปตันทั้งรวดขยะมู่น้อยๆเล็กๆตันก็ไปอีกอันกาไปอี ก, อ ก, า, อกาถลมญ่ังไดนน่น <c oughs> น้าเทศการล่กระทงขนงไปรอยแม่น้ําแม่น้าคงฆ่าเขากรมจอมที่หวัน เด้อฝนตกมากพูดถึงทวมหัวมันเลอะข้นเนี่เอาของสกโบกมหาหัดรอยวันใช่ไหมดีก็ต้องไปหัดเือพักปอดออกจีเอาไปไอยหนังไลยคว่ำชั่วชาติลามกไอยดูแใจก็ปปนเขากีเขาตัวเขาหลอกลวมเขาไม่ต้อออกนียังไงคว่ำดีควมำจลายอยู่ในหัวใจอะ่ะ กอยสิ่งชั่วชาติลามกออกจากใจวันนี้บมดเออกันไปซื้อขายตะลุยนั่ง่ะตั้งค่ากูนะครันี่คือกันนะจุดถูกจุดเทียนอ้อมจกบดจจกเจดียุนนี่ไปจุดเผาอย่างแนบุ้แล้วมังเข้าจากน้อยใหม่ส่แนบุ่นนี่แต่ก็อป็นหาตรงจางใหม่ไปเผิดถูกเพิดเทียนน่าสวายพระ บักยาบงบ่งจัดตัวไดนยางเรมื myself, ่ก well, ิ้นะครับอยากบอกเข้ากับฝุ่นอย่างแน่ตัวอย่างแน่ไปจุ่มกับเผาโอ้ยหายใจของมันก็เป็นโรคปอดบวมตัวจากยางนี่อย่างตัวยางนี่อย่างก็มาเผาแต่คนนั้นไม่คิดละเอียดหรอขอให้ทําแบบกิเลสเขาพาตมาเขาพาตมาให้มีแสงสว่างป่าวว่าถ้าแสงสว่างหรอว่าถ้าถูกแสงทุบแสงเทียนแต่ แสงดวงพระอาทิตย์เกิดพันดวงก็สองม่เห็นสวรรค์นิพพานแสงตาของเราเกิดอีกพันดวงก็สองม่เห็นสวรรค์นิพพานต้องแสงปัญญาแสงเทียนท่องตาแสงปัญญาสองใจนะพระนประเทศใจจี่โลกวัดจีวั ด, วดถ้าสอนให้ญาติโยมทําบุญให้มีสติปัญญาก็ไม่หลอกลวงกันไม่มีป้นจี้กันเยือกแย่เหมือนทุกวันนี้หรอก นี่ไม่เคยบอกน้อยวัดจะจะบอกคำบุญอย่าโยมที่ไหนมาอยู่ไกลๆกลับไปบ้านทำบุญกระถิ่นทำบุญกระถินสามวัดสีวัดยิ่งไปจากเมืองนอกเขายิ่งหามหาห่อรัศกรบงานไปก็รับขับสู้แล้ว <c oughs> เราไหาใกล้โตลงง้อลงค้อยเหมือนตัววัดนอกจกินระบบโอ้กรถินใจมาแล้วเ น, นี่ยมาจากเมืองนอก โดยเฉพาะกันไปจากกรุงเทพยิ่งนะเครื่องไปต้อนรับหรือเียกหัดถามกันหนุนตะก้อนใครเม็นเจ้าภาพก็ตินขึ้นเตียงหาแม่หนก็บัดเ ม, มื่อนึกควันเมื่อนึงถือกว่าเราเนตพิดถนนตรเนีมประเพณีของข้าวพุดไปหาจุยด้วนกวนบุญไหว้กบัดก็ว่าไปทาบุญ เห็นปนะ่ามีปัญญาป่ะสนะ่วงวัฒนธรรมมีขึ้นมาแล้วกระทรวงสำนักพุทธมีขึ้นมาแล้วดูที่คนงานจี่คนสำนักพุทธกินเงินหลวงราคาเท่าไหร่เวลาวันสำคัญครั้งพุทธศตนาขอพาเขาทำซุ่มสี่ซุมห้ามันเข้าภาษาพากันไปแกะเทียนแข่งกันหมดเทียนแข่งกันหรอเอาโนบะมาไปแข่งกันถ้าพิจารณาแล้วเอาลูโพ้ไปแข่งกัน ทำหลักวินห้ามไปดูเขาคว้านลำทัระโคมดีดสีตีเป่าร้องลำทำเพลงทำไมไม่รักษาคำนี้หรอไปให้เด็กไปแย่งนงั่งรบประมาทฆ่ากันตีกันถ้าลูกไม่พวกเขาไม่ดูเนี่ยเขาคนไปดูเยอะนะในรังวัลเขาคุมไห้คมไหนไหนันง่งรบประมาทคนเบิ่งไหลาย กุ่มนั่นกุ้มนั่นอืในรางวัลในบัดรในรางวัลชมเชยไม่ได้เห็นว่า ท, ำาทํำลายวัฒนธรรมทางศ า, าสนาเปนยังภากันเหตุเป็นประเพณีปีรุ่นเอาคือเกา่าปีรุ่นเอาคือเกา่านะก็ละเลยเป็นประเพณีไปไปเป็นนี้ปร่ผิดเพี้ยนเด็ดประเพณีทําลายพระพุทธศาสนาถ้าไปแห่หยกชวนผู้บ้าหลุงพ่อไปว่านนะเรื่องของโลกโลก เรื่องของทางวัดวาศาสนาวัดไม่ใช่บ้านฟังดูที่วัดกายไปกราบวัดวาจาไปสวดมนต์วัดใจทำให้ใจนิ่งใจสงบนะทำไมไม่ทำหรอจะไปหา <c oughs> มันมาขะวิสาขะอะไรต่ออะไรอ่งนี่ก็ททำไปสุมส่มสีตุ่มาถึงกับครูบาอาจารย์เนี่ย ฟ้าไปยอมบินแทปวันภาคะอกไบุญจังใดมันไม่ใช่วันลกไม่ใช่วันมาฆะมันวันลาคะเด็ก <c oughs> ลูกสาวกูเลยกระแพง่งกระแพง่งมาไปเยือนเทียนก้อนแม่อยากไปเยือนเทียนเออไปได้ยานตัวนั่นเห็นบ่ล่ะมาไปหรอนะถือโอกาสดิบบด น, นั่น <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นฟ้าไปยอมจังมาเทปเป็นตัวอย่างะ ถือก็ตดาดไปหาเหร็ยหาบุญไหวจะไปนั่งนั่นไม่ต้องไปหาจุดเผานนเผานีนาน่นั่งหายใจสงบนิ่งหนึ่งนาที2องนาทีดีๆนี่คือวันเกิดวันสำคัญของเราเหมือนกันหรืญาติพี่น้องมาร่วมงานก็พากันนั่งสมาธิ น, น <c oughs> เรียมจ้างเขาจ้างลูกจ้างหลานมากก็ไรต่อจ้างให้เขาทำบุญปฏิบททัติธรรม อยากให้เข้าใจจากให้เน้นหนักโดยเฉพาะวันศีนวันพระวันนี้ออกพรรษาเมาเหล้าขึ้นไม่รู้เท่าไหร่แล้วในประเทศไทยอ่ะเบิกถอยหลังว่าทันนี้บัดยักว่าคำว่าเบิกถอยหลังเพอออกอดมาสามเดือนเราบัดวออกพรรษาเราก็จุฟาดมันเด้อบัดยักว่มก็ฟาดมาษาอีสานน่ะมันค่อยถึงใจเด้อคิดหัวล่านามเราบัด ตกน้ำตายยังเมาเราตกน้าตายเมาเราขี้รดท้นกันตายโอ้ยบังคับบังลุก อ, อกพรษาปีนี้จะคำว่าห้ามตายห้ามตายออกพรษาห้ามตายสงการปีนี้มามาสรุปแล้วมากกว่าปีที่แล้วมาดิคนเป็นสรุปสาเหตุรามี้ติลืมทุนลายาบ้าไม่มีอย่างอื่นพระะเจ้าเจ้าจึงห้าม ถ้างดได้งดไปเลยเขาห้ามก็ยูทั้งนั้นแต่ก็ไม่ยุตกันโอ้ยน่าสล ด, ดเรียกทาําเบาหวังความเจริญต่อไปภายหน้าจ้านะพระพุทธจะให้ดูปัจจุบันจะไปดูทําไมวันทั้งหน้าปีหน้าเดือนหน้าปัจจุปนงังแกโยทํามังนั่นอย่าไ น, นึงสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงอย่าไปคานึงถึงใดที่ล่วมไปแล้ว สิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นจงละเสียแล้วอย่าให้มาตามอยู่ในจิตปัจจุบันนังกโยทรรมังปัจจุบันนี้ให้ดูปัจจุบันนี้รูปปัจจุบันนี้เห็นปัจจุบันนี้นั่นครเจ้าสอนใหดูปัจจุบันรูปปัจจุบันเห็นปัจจุบันเห็นบุญเห็นสวรรค์ปัจจุบันนี้ลมหายตายจากไปก็เห็นเหมือนเดิมถ้าไม่เคยดูไม่เคยรูปไม่เคยเห็นลมหายใจจากไไม่เคยเห็นเหมือนเดิม ถึงยำแล้วจำอีกว่าเจ้ากรรมในเวรเป็นดักถามอยู่โน่นเพื่อให้เราเตือนใจเราหรือไม่เชื่อคมพูนาวัตถิโลโกใจทุกดวงอยากมาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะคำว่าประพัฒนสรังจิตตังธรรมะใจของเราจะไม่มีร่างกายมันใสสะอาดเลยอยากมาจุดนี้แม่เทวดาก็อยากมาจุดนี้แต่อายุเทวดามันนานพรเทพ ถอนคนและเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่ของพระเจ้าไม่ใช่ว่าจะ่าสอนเฉพาะภูมิของคนภูมิของมนุษย์ภูมิของเทวดาพระเจ้าก็สอนมีภูมิของคนคนเดียวแหละอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถที่จะแนกแก่ภูมิของใจให้สูงขึ้นสูงได้หรือต่ําลงต่าลงก็ไปจากจุดนี้เท่านั้นดังนั้นให้รีบเร่งรู้มันจินไปจินไปมัอหมดไปแล้วนะ ฝังความร่ำรวยเป็นโฉลกร่ำรวยสวยงามสุดหรอกสบายอะไรที่ไหนมันก็แค่นั้นจะเข้าใจว่าทําไม่ได้เทศให้ใจของเราสิ่งที่ทําไม่ได้ก็ยังไม่ทำเคยน่าดึงกุศลนอกตอนจะโยมนกหลานจะีพี่น้องได้เสียสลัพมาใกล้ทางไกลก็ดีมาประพฤติปฏิบัติธรรมออกมรรษาแยาให้ใจออกจากสิ่จากธรรมมา ใ, ใจมั่นคงอยู่ในสิ่งในธรรมเหมือนเดิม การักษาม น, น, ง น, น, น, นังไงวันจิบนันพระก่อใจหลงจะลืมบังคับให้มันทำบังคับให้มาปฏิบตัติบุญกุศลที่เราได้มาทำเหล่านี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธํรมคุณพระสงฆ์หลวงปู่หลวงพ่อได้ปฏิบัติมาแล้วก็จงมาร่วมการจงปกป้องปก ป, กปกาาออกักหลักษาออกตนญาติโยมลูกหลานญาติพีนน่น้องต้องมีแต่คนสุขคนเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกข์โศกโรคภยัยการงานจึงใดการเงินจึงใด จงสำเร็จจงสำเร็จโดยเฉพาะในหลักำคำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและจงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสินเห็นธรรมเห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์นิพพานในปัจจุบันในชาตินี่เาิ